เในอุเทศคือหัวข้อในเบื้องแรกเนี่ย น, นะเพิ่งทราบโสตสัพคือในในคำที่เป็นภาษาบาลีนะีท่านขยายตามลําดับภาษาบาลีไม่ได้ขยายตามลําดับภาษาไทยลําดับภาษาบาลีที่ภาษาริบุตรแสดงว่าโสตาวัฏฐานปัญญาสุตมะเยยานังคือมีประเภทแห่งอัดเป็นอนเนกหมายคำว่าโสตสัพในคําว่าโสตาวัฏฐานเนี่ยมีเยอะมีหลายความหมายมากในพระไตรปิฎกนะ ก็อย่างที่เราคุ้นเคยนะอย่างภาษาไทยอ่ะนกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเรานกเขานกเขากับนกบินอ่ะนะนกที่มันชนกชนิดหนึ่งที่มันร้องอะไรกู้เป็นต้นเนี่ยนะนกเขาบินข้ามภูเขาก็นกนกบินข้ามเขาอ่ะไอเขาตัวแรกหมายถึงนกเขาตัวที่สองหมายว่าข้ามเขานกเขาคําที่สามแปลว่าไม่ใช่นกของเราก็นกเขาเองนั่นแหละใช่ไหมก่อนนกคนอื่นอ่ะนะ อันนี้เขาเห็นว่าสั์เดียวเนี่ยสับแรกหมายถึงนกศัพที่สองหมายถึงภูเขาสัพที่สามหมายถึงคนอื่นภาษาไทยเนี่ยภาษาบาลีก็ลักษณะเดียวกันอย่างคำว่าโสตะศั์เนี่ยมีตรงนี้ยกมาแปดความหมายเช่นว่าหนึ่งมังสะโสตะสองโสตะวิญญาณสามญาณโสตะสี่กระแสแห่งตันหาเป็นต้นห้าสายทานแห่งกระแสน้ำหกอริยมรตเจ็ด ความสืบต่อแห่งจิตก็คือกระแสจิตนั่นเองนี่ก็ยกข้อความในคัมภีร์ต่างๆมาให้เห็นว่าในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วคำว่าโสตมีหลายความหมายอย่างข้อความใน อ, อภิธรรมวิพังเนี่ยนะโสตศักด์ที่หมายถึงตากรหูเนี่ยนะหมายถึงหูเนื้อเนี่ยแก้วหูเนี่ย ก็โสตศัพ์นี้ย่อมปรากฏในอัตว่ามังสะโสตในคําว่าโสตายตนาโสตธาตโสตินีอันนี้ในธาตวิพังนั่นแหละในธาตวิพังเนยยกมาส่วนโสตศัพท์ที่หมายถึงโสตวิญญาณอันนี้ในมัชชิมนิกายเช่นว่าได้ยินเสียงด้วยหูเนี่ยนี่หมายถึงโสตวิญญาณนยหูไม่ยินได้ยินเสียงได้เลยนะแล้วโสตวิญญาณเนี่ย ถ้าไม่อาศัยหูจะได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินนั้นอาศัยหูกับเสียงกอดโสตวิญญาณโสตวิญญาณนะเป็นตัวได้ยินเสียงหรือวิญญาณที่อาศัยโสตะวัตถุกเกิดขึ้นรู้เสียงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโสตศัพท์ตรงนั้นหมายถึงโสตวิญญาณถ้าเป็นในทีคณิกายปาติกวรชเนี่ยนะมีความหมายวิาญาณโสตเช่นได้ยินเสียงด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์อันนี้หมายถึงทิพโสตะ ถ้าอย่างในจูลานิเทศโสตะสัพมีปรากฏว่ากระแสตันหากระแสทิฏฐิกระแสกิเลสทุจริตและอวิชชาเพราะว่าเช่นสวัตติสัพธิโสตานี่นะที่ว่ากระแสทั้งหลายเนี่ยนะกระแสตันหากระแสทิฏฐิกระแสกิเลสกระแสทุจริตกระแสวิชาอวิชชาเนี่ยกระแสเหล่านี้อันบุคคลจะเพึงติดกั้นได้อย่างไรตรงนั้นก็ใช้คําว่าโสตะเหมือนกันแต่แต่ในที่นี้โสตะตรงนั้นแปลว่ากระแสแห่ง ตันหาเป็นต้นแต่ถ้าเป็นที่อื่นอย่างเช่นในสังยุตตนิกายสลายตนาวักหมายถึงสายทานแห่งกระแสน้ําอย่างพุธทธพจนิวาสพระองค์นี้ได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วแระซึ่งท่อนไม้ใหญ่ถูกกระแสน้ํพาพัดไปในแม่น้ํำคงคาอนนี้นก็ท่อาอะไรนะทาทารุขันโทอุปรมาสูตรใช่ไหมพระสูตรที่อุปมาเหมือนท่อนสุงลอยน้ําเนี่ยนะบางแห่งก็หมายถึงอริยมรรค อย่างเช่นในที่พระองค์ตรัสว่าคําว่าดูก่อนอวุโสคํานี้เป็นชื่อของอัฐถังที่กำมัคอันประเสริฐที่เขาถามว่าชื่อว่ากระแสกระแสเนี่ยเป็นฉไหนโสตะโสตะในโสดาบันน่ะนะโสตาปโนเนี่ยนะก็มาจากโสตะบวกอปันะอปันะแปล ว, ว่าเข้าถึงไงโสตะตัวนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคพระโสดาบันคือผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งอริยมรรคก็บรรลุอริยมรรคแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นคําว่าโสตะ ตรงนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคในคําว่าโสดาบันนะโสตาในโสตาปณะเนี่ยโสตาปณะพระโสดาบันเนี่ยโสตาตัวนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคส่วนที่อื่นอีกเช่นในคําทีคณิกายปาติกวัตรเนี่ยบอกว่าหมายถึงในความหมายความสืบต่อแห่งจิตอย่างในคําใน ส, สัมปัสาธนิยสูตรว่าและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในปราโลกอันนี้หมายถึงกระแสจิตของผารหันเนี่ยนะกระแสจิตผ้ารหันไม่ตั้งในโลกนี้ด้วยไม่ตั้งอยู่ในโลกอื่นด้วยหังก็ใช้คาว่าโสตะเหมือนกันแต่หมายถึงความสืบต่อแห่งจิต ก, ก็ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะความหมายท่านยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างโสตะสั์ในพระไตรปิฎกเจ็ความหมายก็ในหน้าสามสิบห้าว่าโสตะสั์ในโสตวัฏเนี่ยหมายเอา หูหูเนี่ยหูเนื้อโสตะโสตะหูเชื่อว่าโสตาวิธานเพราะอัตถาว่าทรงไว้กําหนดไว้ตั้งไว้ด้วยโสตะเป็นเหตุหรือเป็นเหตุให้สําเร็จนะแปลว่าปัญญาที่มีหูเป็นทวารเข้าอ่ะนะคือถ้าไม่มีหูเนี่ยอดเลยอ่ะเหมือนกับเกิดมาไม่มีหูแล้วฟังธรรมได้ไหมไม่ได้ มันถือว่าปัญญาที่เกิดจากหูเป็นประตูเข้ามาเนี่ยนะมันหมายถึงตัวหูจริงๆเลยแหละถามว่าที่ชื่อว่าโสตวทานนั้นน่ะอย่างไรคือสุตะก็ธรรมชาติที่รู้แจ้งกําหนดได้โดยคันลองแห่งโสตทวารชื่อว่าสุตะคําว่าฟังเนี่ยนะเหมือนคําของคําว่าพหูสูตรว่าเป็นผู้สดับมากเป็นผู้ทรงสุตตาเป็นผู้สั่งสมสุตตเพราะฉะนั้น คำว่าสุตะนั้นเนี่ยในที่นี้กล่าวว่าโสตาวทานปัญญาที่เป็นไปในสุตะกล่าวคือโสตาวทานนั้นชื่อว่าโสตาวทานีปัญญาปัญญาที่อาศัยการฟังเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยนะทีนี้คําว่าปัญญาล่ะต่อไปก็ขยายทุกคํานะขยายเริ่มขยายคําว่าปัญญาทราบว่าปัญญานี้กว้างขวางขนาดไหนคําว่าปัญญาได้แก่ ปัญญาโดยอัฏฐว่าเป็นเครื่องทําให้รู้ชัดเพราะว่าผู้บุคคลทั้งหลายจะรู้ชัดได้ก็ต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยความรู้ชัดกล่าวคือเป็นเครื่องทําอัฏถนั้นๆให้ปรากฏถ้าปัญญานี้ทําอัฏถให้ปรากฏเนี่ยทำยังไงถ้าระดับสูงเลยนะปัญญานี้ทําอัฏฐแห่งอริยศาสตร์ให้ปรากฏว่าทุกขสัพนี้ สันตาปณะนะใช่ไหมเร่าร้อนสมุทัยสัตว์อายุหนะันะนําเกิดนี่โรสสัตว์นีโรสสัจจะนะหมายถึงนิสรณะนําออกจากทุกมักสัต์นิยานิกะเอ่อนิสรณะเนี่ยสลัดออกจากทุกนิยานิกะนําออกจากทุกเพระั้นปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เห็นรู้แจ้งอัดแห่งอริยสัตว์เนี่ยนะเพั้นทําอัดนั้นนั้นให้ปรากฏ อีกอย่างหนึ่งธรรมชาติใดย่อมรู้ทำทั้งหลายโดยประการนั้นๆคือรู้โดยประการต่างๆคือรู้โดยอนิจจ์นะรู้โดยอนิจจลักษณะทุกลักษณะอนัตตลักษณะเป็นต้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าปัญญาปัญญาที่รู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่เที่ยงพราะว่าถาว่าสิ้นไปเป็นทุกเพระว่าถาว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาพราะว่าถาว่าไม่มีสาระเพราะะฉนนั้คําว่ามีปัญญาก็คือรู้อนิจจลักษณะ ว่าสิ้นไปทุกเพราะหน้าโกลอนัตตาเพราะไม่มีสาระเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั่นแหละชื่อว่าตัญญาทีนี้โสตาวัาเนสุตมเยียานานังก็ขยายคําว่าสุตะสุ ต, สตามายะเนี่ยนะสุตามายะหรือสุตมเยียานานังว่าสุตศัพบเนี่ยนะมีเป็นศับท์ทั้งที่มีอุปสรรคและไม่มีอุปสรรคนะ สุตตะศัพ์ก็มีความหมายว่าไปก็มีปรากฏก็มีกำหนัดก็มีประกอบเนืองๆก็มีสั่งสมก็มีหมายถึงเสียงก็มีเอคําว่าหมายถึงรู้ได้ตามคลองแหงโสตะทวารก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้สุตตะศัพ์มีเจ็ดความหมายศัพท์ก่อนหนะ้โาโนะสตะน้าศัพ์นี้สุตตะเนั้นสุตตะกับโสตะนี่คนละอย่างกัน ตรงนี้สุตตะศัพท์มีเจดความหมายหนึ่งไปสองปรากฏสามกำหนัดสี่ประกอบเนืองๆห้าสังสมหกทัต ร, รมเจดรู้ได้ตามคันลองแห่งโสตะทะวนันราะในหน้าสามสบกเนี่ยนะก็มีอัดกระยกคำพีที่มาต่างๆให้ดูว่าศัพท์สุตตะศัพท์ในพระไตรปิฎกก็มีหลายความหมายด้วยกันนะเราไม่รู้อะใครเรียนบาลีเนี่ยก็มานั่งท่องจำอัถานี่เรียกว่าอนเนกัถานี่ก็ ใครท่องเก่งนี่นก็มีบุญมากเลยนะอเ น, นกคาถาเนี่ยอภิธานวร น, นาเนี่ยเล่มแค่เนี่ยมีคาอธิบายด้วยศั์เฉยๆนะวยากรณกต่างหากักนะเยอะขนาดเนี่ยของมาเลยเรียนไม่จบเลยคนนี้มันสรุปว่าสุตตัพั์นี่มีเจ็ดความหมายที่กล่าวไปถามว่าในที่เนี้ยประสงค์เอาอะไรอะในหน้าสามสิบเจ็ดบรรทัพที่สามที่สี่กล่าวว่าในที่นี้สุตตะสั์มีอัดว่า อันตนรู้แล้วเข้าไปทรงไว้แล้วโดยคันลองแห่งโสตะทะวานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ถือเอาข้อเจ็นั่นแหละข้อเจ็ก็อยู่ข้างบน น, นะคำอธิบายข้างบนว่าสุตตะสรัพมีอัตว่าทรงไว้ซึ่งศรัทธารมอันตนรู้แล้วโดยคันลองแห่งโสตะทะวานก็ยกตัวอย่างในคําว่าพหูสูตรเช่นว่าพระหูสูตโตโหติสุตตะทโรสุตะสัมนิจโยเป็นผู้สดับมากเป็นผู้ทรงสุตะเป็นผู้สั่งสมสุตะ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าสุตตัพั์เนี่ยหมายถึง เ, เสียงที่มาตามคันลองแห่งโสตะทวานเนี่ย น, นะหมายถึงตัวเสียงที่มาตามทวานหูอนนันคำว่าสุตาะเมเยยานังแปลว่าปัญญานี้ได้ตรารบพระธรรมคือสุตะนี้ที่รู้แล้วทรงจำไม่ได้แล้วกระทาให้เป็นอารมณ์ คือเป็นไปแล้วในครั้งแรกและครั้งต่อมาหมายถึงว่าฟังแล้วก็เข้าใจทรงจําไว้ได้ทรงจำแล้วเอาไปขี่ตามต่อไปก็ยังเรียกว่าสุตะมยญาณอยู่นั่นแหละนั้นปัญญายาม น, นั้นเน่ยเป็นอันท่านกล่าวแล้วว่าสุตะมยายานางังญาณอันสําเร็จแล้วด้วยการฟังเนี่ยนะคือปัญญาที่รู้ได้อย่างนี้เพราะอาศัยการฟังเป็นหลักอธิบายว่าสุตะมยังยานังนั่นเองแต่ทีนี้ก็ยกว่าไอ้สุตะมยังเนี่ยนะ สุตตะมเยกับสุตตะมายังเนี่มันเหมือนกันหมายถึงปัตมาวิพัฒน์เหมือนกันเนี่ยนะปัจจตะวจนะเนี่ยปัจจตะวจนะเนี่ยหมายถึงอปัตมาวิพัฒน์ใช่ไหมปัตมาวิพัฒน์ทีนี้ก็ยกตัวอย่างว่าลักษณะแบบเนี้ยไม่ใช่มีที่เดียวนะที่เรียกว่าชจริงๆก็สุตตมมะยังย า, างแต่ใช้บาลีว่าสุตตะมเยยานังเนี่ยนะมีที่อื่นด้วย เธยกตัวอย่างเช่นว่านาเหวังวัตะเพยเนี่ยนะอันนี้นในอะไรในกมพีกระถาวัตถุยกมาในกระถาวัตถุนะเธอบอกว่านาเหวังวัตะเพบอกว่าท่านไม่พึงกล่าวอย่างนั้นเนี่ย น, นะท่านยังเห็นสัตว์บุคคลโดยประมาทหรือนะเหวังวัตะเพยแบบั้นแล้วก็อมมันตานะเหวังวัตะเพยอยู่แถวนั้นอ่ะ หรืออีกที่หนึ่งนะอย่างยกตัวอย่างในรัตนสูตรว่าวันับประคุมเพยธาพุสิตเคเณเนี่ยนะอันนี้ยกข้อความในรัตนสูตรว่าพุ่มไม้ในไพรเอ่อพุ่มไม้ในป่าในไพรเนี่ยนะมียอดคือดอกบานสะพรั่งต้นไม้เนี่ยที่อยู่ในป่าออกดอกอ อ, ออกดอกออกยอดบานสะพรั่งเหมือนอะไรเหมือนปริยัติธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ใช้สระเอแทนปฐมาวิพัฒน์เหมือนกัน หรือนัตถิอันตกาเรนัตถิประกาเรนัตถิปุริสกาเรเนี่ยนะก็จริงๆก็ปฐมาวิพัฒน์เหมือนกันหมดที่อื่นฉันใดคําว่าสุตตะเมเยในที่นี้ก็เหมือนกันความหมายก็คือสุตะเมายังยานังนั่นและเนี่ยนะโดยความหมายก็คือยานอันสําเร็จด้วยการฟังเนี่ยนะเราะนั้นตรงนี้ท่านให้หลักสำหรับผู้ที่เรียนบาลีมานะใครที่เรียนบาลีมาก็ ได้เปรียบหรือเบาก็ศึกษาวิธีแปลศึกษาวิธีอะไรของโบราณท่านไปด้วยเพราะว่าท่านท่านขยายศัพ์ให้ฟังด้วยแล้วก็ขยายทั้งอธธัตถะขยายทั้งพยัญชนะเนี่ยนะอัตถกถานั้นเป็นคำพีที่ขยายทั้งอัตถะและพยัญชนะปฏิสัมพิทามักเนี่ยนะขยายศัพท์อย่างนี้คนก็ปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่านเจอเนี่ยนะที่จริงๆอ่ะถ้าอ่านและจับได้เออเข้าที่บายศัพ์นี้ศัพท์นี้ศัพท์นี้สัน์ส น, นี้มีกี่ความหมายก็เท่านั้นก็พอแล้วก็ผ่านแค่นั้นแหละแต่นี้คนมันก็จะแหมจะให้มันทุกคําเลยนะ แม่ถ้ารู้ทุกคําได้นะแล้วเพิ่องอ่านใหม่ๆแล้วรู้ทุกคําได้นะขอมาจะขอเป็นลูกศิษย์แล้วถ้าใครทําได้แล้วทําไมมีบุญขนาดนั้นนะเพื่อบุญเก่าทํามาดีเยี่ยมเลยนะไม่นานก็ต้องบรรลุแ น, น่อนอะนขอเป็นศิษย์ด้วยนะเพราะว่าทําไมเก่งขนาดนั้นเพรา ะ, ะนั้นก็อ่านทันผ่านๆไปก่อนเนี่ยนะพยายามจับประเด็นทําความเข้าใจไปอะไรไปเนะอย่าไปทุกข์ร้อนอะไรมากมายนะักเดี๋ยวก็ป่วยในเห็นศัพ์ก็ป่วยก่อนเลยไม่ได้รู้เรื่องเลยกันนี้ เลยไม่ได้รู้ว่าอริยศัสตร์มันเป็นยังไงเลยไปทุกร้อเรื่องอื่นแทน